จเจริญพรโยมถ่ายรูปเพื่อถ่ายนะเดี๋ยวตอนเทศอย่าถ่ายเชิญ เ, เชิญเพอยางพอแล้วเชิญเวลาหลวงพ่อเทศขอความร่วมมือนะอย่าถ่ายรูปนะเวลาสแสดงธรรมะเนี่ยไม่มีผลล่วงหน้ามันอยู่ที่ใจของคนฟังใจของเราสงบ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 ช้าๆค่อยๆขยับอยากจะเดินก็ต้องช้าๆถ้าทําอะไรทุกอย่างต้องช้าๆเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ต้องหลับตาถึางจะเรียก ว, ว่าปฏิบัติธรรมนั่งลืมตาก็ไม่ได้ต้องนั่งในท่านี้ด้วยต้องเดินในท่านี้ด้วยถึงจะเรียวกว่าการปฏิบัติในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติขาดความเพียร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 ปัญหาคือความทยานอยากของใจเพราะเราสังเกตดูใจเราทยานอยากตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจเราจะดิ้นรนตลอดเวลาเลยฮะความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานคือความสิ้นตัญหาสิ้นความทยานอยากนะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นปัญหาเรียกวิราคะเป็นชื่อของนิพพานทั้สิ้นนิพพานมีจริงๆ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 พามันไปอาบน้ําพามันไปกินข้าวหรือเติมน้ํามันอะไรต่อไรรับใช้มันสารพัดเลยนี่ความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ไม่อิสระเป็นความสุขที่ต้องยิงอาศัยผู้อื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขในธรรมะนี่เป็นความสุขที่อัศจรรย์นะมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตติคือจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่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 ฉันอยากรู้จักนิพพานต้องรู้กายรู้ใจฉวนแจมแจ้งแล้าจะเห็นนิพพานด้วยตัวของเราเองฉะนั้นเราต้อขคอยรู้สึกนะ ม, นมันมีสองอย่างส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดที่หลวงพ่อพบมาส่วนใหญติดสมถะคนในโลกนี้ก็เลยมี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งพวกไม่ปฏิบัติเลยพวกหลงโลกไปเลยอีกส่วนหนึ่งพวกสนใจการปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะพวกเราที่สนใจการปฏิบัติเราลองตรวจสอบตัวเองดู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 แม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถ้าเรารู้ทันแนละ้วเราจะเห็นในจิตเกิดดับหรือจิตเกิดที่ตาหรือจิตเกิดที่หูที่จิตเกิดที่ใจจิตไปจิตเปลี่ยนเปลี่ยปั๊บปั๊ไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยูอย่ที่ใจนะค่อยๆฝึกนะไม่ยากไม่ยากมันง่ายง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนะี่ย ทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของ ใ, ใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็นใจซะ ก, ก่อนถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้เราะฉนั <S <S ้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ ไ, ได้ซะก่อนการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจนี่จึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดตั้งต้นเลย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 กามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์จะไม่เกิดขึ้นอีกท่านถึงสอนว่าพระอนาคามีละกรรมและปฏิฆะได้ละได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายนี่กายนี้เป็นตววัวทุกข์จากนั้นการภาวนาเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นกลางนะเรามาสอนในมหาวิไลเราต้องสอนเรื่องที่เป็นปัญญาหน่อยสอนเรื่องอื่นเราไม่สมเกียรติปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาที่เห็นว่า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 การที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนะเป็นปัญญาขั้นสูงงั้นเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนลวนเบื้องปลายเราจะฝึกไปจนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนล้ค่ฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอกวิธีหัดนั้นไม่ยากอะไรหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นฆราวาสตอนเด็กๆเจ็ดขวบเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อรีวัตโศการามท่านพ่อรีวัตสุการามท่านเป็นพระดีพระวิเศษองค์หนึ่งนะ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 วันไหนทําไปแล้วจิตสงบเราก็ว่าวันนี้พ้นทุกสงบไปไม่กี่วันมันก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วก็วามาทําความสงบใหม่พอสงบก็วันนี้พ้นทุกข์อีกแล้วนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะวนเวียนอยู่อย่างนี้นเองขึ้ น, มนไม่ปัชนาให้เป็นจนมาปีสองห้านะ25งพ้ายห้าได้ไปกราบหลวงปูดงป่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองตอนหน้านี้เคยดูกายนะ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 นี่ตื่นนอนมาหลพ่อรับราชการนะ้วตื่นมานึกได้วันนี้วันจันใจแห้งแง้งนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นเรารู้ถ่านใจแห้งแ้งเราก็รู้ใจสดชื่นเราก็รู้นึกได้ว่าวันศุกร์นะโอ้ฟรีเฟรมมากเลยนึกได้ไปอีกนะอู้เราวิ่เอ็นด้วยสดชื่นมากกว่าปกติอีกใครเป็นบ้างมีไหมเป็นทั้งนั้นแหละยิ่งแต่ไม่ยอมยกมือทาให้ดูว่าขยันทางาน มันนึกได้ว่าวันสุขนะจิตใจสดชื่นดูไปดูมาเฮ้ยจาวันผิดวันนี้วันพุด <c oughs> ความสุขพลิกเลยพลิกเลยใจก็ใจก็เป็นทุกขึ้นมาเห็นเลยใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคอยดูนี่เวลากินข้าวเราก็ภาวนาได้นะเรากินข้าวหรือเราเดินไปลงอาหารโอ้วันนี้มีแต่ของโปรดจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมวันนี้เจอแต่ของที่เราไม่ชอบแม่ค้าพวกนี้ขาดอินโนเวชั่นนะไม่ได้เรื่องเลยนะทําอาหารเหมือนกันทุกวันเลย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 งั้นเราเดินไปเราเห็นอาหารในี้ใจเรารู้สึกไงเรารู้ทันนะกินเข้าไปโอ้ยนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยตักใส่ปากไม่อร่อยเลยนึกว่าจะอร่อยใครเคยเป็นไหมเห็นของโปรดตักใส่ปากเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยรู้สึกไงปลื้มใจได้กินของไม่อร่อยนะไม่เป็นใช่ไหมรู้สึกอ่ะแย่่างเลยแม่ครัวคนนี้ไม่ได้เรื่องอะไรใจไม่ชอบรู้ทันว่าใจไม่ชอบแล้วนะเราคอยรู้ทันใจของเรา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 สบายกว่ารู้สึกไหมถ้าติดเป็นคันที่80ดสิบคันที่ร้อยเฉยเฉยไฟเขียวก็ยังเฉยอยู่รู้ว่าไม่รอดหรอกเนี่ยเราคอยรู้ความรู้สึกของเราเนะี่ยนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆอย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่มีผลอะไรจะแตกหักกันนะจะบระรลุมรรคผลนิพพานได้หรือเปล่านี่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆของเราได้หรือเปล่านคนคนหนึ่งจะไปนั่งสมาธิจะไปเดินจงกรมได้วันละกี่ชั่วโมง ชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่กับโลกธรรมดานี้ต่างหางั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติได้เฉพาะตอนเข้าวัดตอนเข้าคอร์สตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติมันมีนิดเดียวอยนะูปีหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งนะวันหนึ่งจะมีสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราโยนทิ้งซะปเปล่าเปนะล่าหลวงพ่อไม่โยนทิ้งเลยนะอย่าแต่ก่อนนี้รับราชการใหม่ๆยังไม่มีรถขับหรอกขึ้นรถเมล์ ตอนเช้าออกมาที่ป้ายรถเมย์ปุ๊บเห็นผู้ร่วมชะตากรรมพ่อพ อ, พ อ, พอคนในห้องนี้สดชื่นไหมเพื่อนเยอะไม่สดชื่นเลยใช่ไหมเซงอ๋ออย่างนี้จะไปได้ไงเซิงรู้ว่าเซิงเห็นรถเม์วิ่งมาแล้วปูเรงปูเลงอุ๊ยคันนี้ว่างดีใจมันไม่จอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธความจริงเนี่ยที่มันว่างเพราะมันไม่ชอบจอดถ้ามันชอบจอดมันคงไม่ว่างหรอกมันก็เรื่องง่ายๆแค่นั้นเอง เนี่ยพอลถเมย์ว่างๆมาดีใจพอไม่ยอมจอดเปลี่ยนเป็นโมโหโมโหรั่วโมโหเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปการหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะที่ง่ายๆเหมาะสําหรับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี้แหละคนอยู่ในเมืองไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาเดินจงกรมอะไรมากมายก็ให้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกจะเปลี่ยนตลอด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 แล้วโลภกรดลงอยู่ชัวว่ ว, วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปฝึกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าพูดภาษาบ า, i, บาลีก็ได้นะบอกยังกินจิตสมุทยัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมนติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู้ใ ด, ดเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ เ, าเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั่นเองทุกอย่างมีแต่เกิดและดับไม่มีตัวตนถาวรล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 มีใครไม่เคยโลภไหมเราก็รู้ใช่ไหมโลภเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็รู้ใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเซงเป็นไหมหดหูเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมเราเป็นตลอดอะเรารู้จักตลอดเลยหน้าที่ของเราก็คือความรู้สึกขณะนี้อะไรกําลังเกิดอยู่มันกําลังเซงหลวงพ่อประโมทพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องเซงเซงรู้ว่าเซงแต่หายากนะคนที่ฟังหลวงพ่อเราเซงเนี่ยหายาก หัวเรารู้สึกไหมเมื่อกี้หัวเราะแล้วใจมันโปร่งๆขึ้นมารู้สึกไหมแล้วก็ลืมตัวเองแล้วค่อยรู้สึกตัวนะคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็หัดมาหลวงพ่ออย่างนี้เองหลวงปู่ดูนบอกให้ดูจิตนะแล้วก็คอยดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันเรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญามันพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาเวลาที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ย จิตมันจะไม่ย อ, อยู่กับโลกปัจจุบันอย่างนี้จิตของเรานี้ร่อนเร่อ ย, อยู่ทางตะวันทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจร่อนเร่ไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาสายตลอดจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาวาจาระภูมิจิตที่สายไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระทั้งหลายเวลาที่เกิดมรรคผลเนี่ยจะไม่ไปเกิดในกามาวาจาระภูมิจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยหัดเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าของมันเอง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 ใจลอยรู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยไม่มีใครห้ามได้หรอกใจลอยใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้จิตนเป็นอนัตตาเพัานใจลอยรู้ว่าใจลอยใจมีความสุขสังเกตไหมพวกเราฟังหลวงพ่อส่วนมากฟังไปแล้วใจมันค่อยๆตื่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานก็รู้ว่ามีความสุขรู้สึกว่ามีความเบิกบานเกิดขึ้นคอยรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองแค่กับความรู้สึกของตัวเองคอยรู้เฉยเฉอย่าเข้าไปแทรกแซงฝึกเอาอย่างนี้นะมันยากหรอก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 หลวงปู่ชันข้าวเสร็จเลยหลับไปแล้วน้ำภาวนามไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นนะตอนนะั้นทำแต่สมถะไม่เข้าใจหรอกเพราะไหลวงปู่หลับไปแล้วแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราว่านี่ยนะคิดอย่างนี้นะท่านหลับตาไปนิ่งๆเกือบชั่วโมงท่านลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่ท่านสอนนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง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 แล้วเราจะรู้ว่าธรรมะจริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ย้นก้ามาจนกระทั่งง่ายแล้วเหมาะสมกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะพอสมควรเชิญได้ข่าวว่ามีเตรียมถามอยู่15้าคนใครจะไปทำงานก็ยังทันนะยังไม่บ่ายโมง ตอนนี้ยังสับสนระหว่างการรึกลู้กับความคิดบางครั้งก็ไม่แน่ใจ ว, ว่ามันคือความคิดหรือการระลึกลูมให้รู้ลงปัจจุบันไปนะจิตมันสงสัยว่านี่คิดอยู่หรือรู้ให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่สภาวะแห่งความสงสัยนะั้นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งถ้าเรารู้ว่าจิตกําลังสงสัยเก็เรียกว่ารู้อยู่ ถ้าหมดแต่คิดเอ๊รรอรนะอรู้หรือไม่รู้นะเอ๊ะรู้หรือไม่รู้นะาหนึนี่หลงอยู่ในโลกของความคิดล้วถ้าเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจได้นะก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดะถ้าเ ม, มื่อไหร่ลืมกายลืมใจไปรู้เรื่องที่คิดอยู่ก็ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังขณะนี้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกออกไหมนั่นละคอยรู้เอานะแล้ววกก็อ่สาสาะะจจิตนีดังดังนิดนึง สภาวะจิตปกติเนี่ยจะเป็นคนซึมเศร้านิดนึงนแล้วก็เอ่อมันไม่สามารถหยุดมาจากภาวะซึมเศร้านี้ได้อยากจะขอให้รู้ดนะ้วยความเป็นกลางนะอย่าเกลียดมันเราไปเกลียดความซึมเศร้าพระพุทเจ้าไม่ได้สอนบอกพิสูจนทั้งหลายห้ามซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นโทสะชนิดหนึ่งท่านสอนบอกพิสูจนทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ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 ใจไม่เป็นกลางไปดูตัวนี้ใจไม่ชอบความซึมเศร้าไปรู้ทันตัวนี้อ่ะต่อไปอยากรคะอยากจะขอกุญแจที่มีการปฏิบัติจงพรู้สึกตัวไปได้นะกุญแจของการภาวนาก็คือรู้สึกตัวเรื่อยอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่เพ่งกายเพ่งใจคอยรู้สึกบ่อยๆ่อยขอบพระคุณค่ะหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปแล้ว ลงไปคิดละแต่ไม่เพียงนะอ่ะต่อไปเราประานแลหลวงพอ่ออยู่ไหนอ่ะนี่ครับเจอหลวพ่อสครั้งใช้ถามสครั้งแล้วแล้วโอ้อัศจรรย์แต่ว่าเร า, เ, าเล่าเรื่องไร้าสาระหลพอ่อฟังดีหลวงพ่อไม่ฟังเรื่องไร้สาระเลหรออะไรจะถามเรื่องไร้สาระหรือ มีมาทเรื่องปฏิบัติเออต้องทาเรื่องปฏิบัตินะเรื่องไร้สาระไม่เอาหรอกก็ผมก็เดินโยมผมอ่อือพอเรู้สึว่ามันไม่เคยตั้งมั่นแล้วมันเกด็ปวดลยอก็ดีแล้วนี่การภาวนามีสองอย่างนะอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นนั้นสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน เพราะนั้นการที่คุณเดินจงกรมแล้วเห็นจิตมันไหลไปไหลมาเราก็คอยรู้ทันอันนั้นก็ดีแล้วอย่าให้อยาให้หลวงพ่อช่วยชนีนัให้ฟงนะคะรับว่าผมตึงไปหรือย่อนหรือเป่ตึงไปขอบคุณครับดูให้สบายกว่านั้นนะเอาต่อไป <c oughs> ส่วนคนนี้หย่อน <c oughs> ไป <c oughs> อยาเ อ, อออากไปไหนในะเต้นเตคืออย่า ง, งี้เจ้าค่ะโยมจะ้สง่งไบ้านหงพ่อที่บ้านอานดีเมื่อเดินกันยาหลบพ่อบอกว่าเพ่งให้ปล่อยๆนะคะ أ, ผ่านมาประมาณแ เ, เดือนเดียวโยมสง่งไปบ้าน <S 2> <S 2> <S สองสามเดือนแรกโยมแ ม, มแ่เพ่งอรปล่อยอะแต่ว่าก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็พอสักประมาณห้าเดือนผ่านไปก็เริ่มแยกออกว่า อันนี้คือเพง่งอั น, นคือปล่อยแต่พอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากพอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราค่อนข้างใังทีเป็น เ, เรื่องของความขี้เกียจแต่ว่าโอเคบางทีสงสัยก็สงสัยก็รู้ว่าสงสัยค <c oughs> ืองี้พอเราเราไม่เพ่งแล้วนะเราก็ต้องขยันภาวนาเช่นนั่งสมาธิเดินจุกลมอะไรนี่ต้องทําแต่ไม่ได้ทําเพื่อเพ่เพงกายเพ่งใจทําไปเพื่อคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนะ มันหย่อนไปตรงนี้หละแล้วก็อย่างที่พราะว่าพอช่วงเมษาเราได้มีโอกาสหลีกเล่นไปพอนาก็รู้สึกการรู้สึกใจสัายสบา ย, บายก็รู้สึกว่าหลังจากสองการที่ผ่านมาเนี่ยจิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ความทุกข์ที่เคยทุกข์มากๆมันมันก็ยังทุกข์แต่มน้อยลงจากที่เราเคยโกรธยาวๆเราก็ซาตโลเคเห็นไหมเห็นไหมความทุกข์มันอยู่ห่าง นะความทุกข์มันอยู่ห่างๆแล้วกิเลสมันก็อยู่ห่างๆ <Army> eh นะโลกมันอยู่ห่างๆเนี่ยใจที่เราฝึกจนมันตื่นขึ้นมาเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็อยู่ไกลๆออกไปแล้วมันเหมือนคนอื่นทุกข์แล้วไม่ใช่เราทุกข์แล <amas oat> ้วค่ะมันมันเริ่มดีขึ้นมันจริงๆเราก็ยังขี้โกรธขี้วีนขี้แบบเหมือนเดิมแโยไม่เข้าใจว่ามันมันเหมือนเพราะว่าเรามีสติใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพิสูจน์ทั้งหลายห้ามโกรธพิสูจทั้งหลายห้ามหลงห้ามโลภไม่เคยสอนนะ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 ไม่ทิ้งนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนบอกไม่ให้ทําสมถะกรรมฐานไม่ใช่แต่เราต้องรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นไงรู้ตัวเป็นไงรู้ชํานี้ชํานาญแล้วถึงค่อยมาเจริญมาทําสมถะได้ถ้าไม่งั้นนะจะไปเพ่งหมดเลยอย่างที่คุณติดมาแต่ก่อนรู้สึกไหมกี่ปีมก็อยู่แค่นั้นน่ะใช่ค่ะนี่ไม่ดื้อนะหลวงพ่อสอนอยู่ไม่กี่เดือน ใ, นใจมันก็เริ่มหลุดออกมาแล้วเมื่อเห็นขัดห้ามันทํางานใจเป็นแค่คนดู ความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงรู้สึกไหมความสุขก็สั้นลงด้วยนะตาไปไปดูนะตาไปแล้ปัญญาแจ้งขึ้นมาโอ้โหไม่เห็นมีความสุขตอนไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตที่ไปรู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนั้นมีความสุขที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อเจ้าขาพอหลวงพ่อบอกว่าให้ไปในรูปแบบนยโยมมีหนึงคำถามพอดีที่ที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยแนะนาโยมเพราะว่าในที่ทางาน จะเจออารมณที่ทึงเลยเดี๋ยวเอาไวๆหน่อยเอาย่อๆก็คือเขาแนะนําให้ไปภาวนาแนวดูดูรีไม่ใ่ว่าให้องให้ดูเวทนาอะไรเงี้ยเพื่อให้มีสมาธิมากขึ้นดูเวทนาต้องทําสมาธิซะก่อนนะไม่ใช่ดูเวทนาเพื่อให้มีสมาธิพลเรื่องกันกายานุปัสสนาการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาเนี่ยหมาะกับสมถายานิก นี่ทำฌานซะก่อนแล้วพ่อยไปรู้กายและเวทนาอนย่ิงนยมฝึกเหมือนเดิมแต่ทำในรูปแบบมากขึ้นแต่ยังทำานที่หลวงพ่อนนทำได้สิออไปเดินจงกรมก็อาควนต่อไปธรรมสถารเจ้าค่ะหลพอก็ตอนอายุสิบสองก็เห็นความหิวที่คือมันเป็นทุกข์แล้วก็อยากอ อ, ออกหวนดังต่บานานออแต่ก็มีภาระคือต้องเลี้ยงดูคุณแม่ อ, อ ก็เรียนหนังสือมาจบเรียนจบก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะครัวมีลูกก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็เลยไปไปฏิบัติที่วัดป่าแห่งหนึ่งเดือนทุกเดือนเลยค่ะป่านมาได้สองปีปลายปีห้าเดือนค่ะก็เป็นวันสุดท้ายที่ไปวัดนั้นก็ไปนั่งในป่าแล้วก็หนูทาพุณโธแล้วค่ะแล้วก็ อัศวพาจราคะจริมันน้อยโลงและในวันนั้นนะคะหนูก็เห็นกายมันทํางานเองเริ่มจากหัวใจบีบเต้นแล้วก็ปลุกจิดเลื่อดทุกอย่างในร่างกายทํางานเองแล้วเมื่อออกจากสมาธิมันก็ขาดลงเมื่อลืมตาเห็นคือมือแต่มันจําไม่ได้ว่านี่คือมือมันก็ตกใจว่าก้อนอะไรมันตั้มอยู่ตรงนี้อนแล้วก็มันเห็นรูปแล้ว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 แต่ไม่ได้หลุดที่วิญญาณต้องหลุดที่จิตแต่จิตอย่างเดียวหลุดไม่ได้ต้องมีสติหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้ก็อธิฐานหลังจากนั้นเจดวันได้ซีดีของหลวงพ่ อ, อวิธี ป, ปฏิบัติแผ่นแรกค่ะแล้วก็ฟังครั้งแรก็ใช่เลยลองนานแล้วแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปีห้าหนึ่งมาจบัดนี้ปีครึ่งหนูก็กล้าที่จะออกมาถาม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 รู้สึกว่าเออทำไมมันหลบไปทุกว่ะพอได้ไปบวดช่วง น, นั้นหนูก็เห็นจิตชัดเจนที่ว่ามันวิ่งออกไปแต่ไม่ได้บังคับมัน ค, มคือมันวิ่งออกมาไปหลบไปครั้งนึงแล้วมันก็จะกลับมาแต่กลับมาก็จะรู้สึกตั้งมารู้สึกตัวขึ้นตรงตรงที่กลับมาอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเราจะแน่นๆถ้ากลับมาแล้วแน่นนี่ผิดเลยนะแต่ก็ไม่รู้สึกแนะ่นเหมือนกับสบายสบายใช่ไหมมันก็นหาออเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวห ย, ยุดก่อนเพลินไปแล้ว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 อา้าวต่ไปนะมีเดียวไม่ทันทำน้ำพรสคฆ์กคัคุณเจ้านะคะโยมเคยปฏิบัติในลักษณะสมาธามองเจ็ดปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ก้าหน้าเลยประเอินแรกอรยั น, ยนั่งนําำซีดีของ ค, คุณเจ้าใช่ไหม์ก็เะบอกของที่จใหม่ไม่ใช่ทางนี้แล้วนี่พอเริกลงมือปิบัติก็ยังติดในแบบเก่าๆนะคะ ก็เลยคิดว่าตาดูจิตดูกายมันคือย่างไรมันเป็นอย่างเดียวกับรูปหรือนามเป็นหอืมก็อันเดียวกันแหละนะพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกายกับใจถ้าพูดให้ถูกต้องก็คือรูปกับนามพูดพูดโดยอนุโลมเท่านั้นแหละว่ากายกับใจอ่อมากอที่สองนะคบขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็จะมีความรู้สึก จกงก็มนั้นนะกตามรู้กายจะไม่ค่อยทําไม่ได้ค่ะรู้สึกจิตจะแว บ, บไปแว บ, บตลอดแต่ก็ตามรู้ว่ า, าคิดไปของโยมนะให้ดูจิตเอาของโยมดูกายไม่เหมาะหรอกเพาโยมเป็นพวกทิดจิตจริตพวกช่างคิดให้รู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาน ะ, ะไปทําเอานะไปทําเอาอ้อาวต่อไปย่อๆนะไม่ต้องเล่ายาวน้ามาสักกาจ้า ยมจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเป็นคำถามง่ายๆก็คือเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงโลกหล่หลองซึ่งยมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างระแวงระวังว่าจิตเนี่ยเช่นตัวอย่างยมเป็นนักธุ ร, ก, นะ ก, รกิจนะคะก็กลัวว่ามันจะรวย เ, เกินอย่เนี่จะคะก็โลภอะอย่เงี้ยเขาเลยเป็ น, นขลาวาวะนะมีหน้าที่รวย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 กวนขาคุณท่านอาจารย์ว่าคำพระโสดาบันท่านอาจารย์หายว่าอย่งไรก <tive> ็เป็นพระโสดาบันนะภาวนาเป็นจนเกิดอริยมรรคขั้นแรกเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปเป็นพระอรหันต์ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากมีเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันมีศีลห้านะเรามีศีลห้าไว้ก่อนพระโสดาบันเนี่ยเขาลบเลื่อมใส่ในพระรัตนาตรัย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 แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีครอบครัวก็ได้พยายามศึกษาแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติอพอมาช่วงหลังนี้คือลูกบวชอะไรโตหมดแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงจังนะประมาณสิบกว่าปีอะค่ะอเอช่วงหลังนี้มาได้คือมีปัญหามากมายดังการคลองเรือนแล้วก็การทํางานนะคะก็ยิ่งศึกษ า, าขึ้นปฏิบัตินานขึ้นนะคะ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 มีสีนะแต่เราก็มองว่าเออนี่คือการได้ยินเรารับรู้ว่าได้ยินแต่เราจะแบบอย่าเจตนานะ <c oughs> ยังจงใจอยู่ยังจงใจอยู่นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าพอถึงตรงนี้แล้วนะนะคะพอเกิดความทุกข์เราก็ละความทุกข์ได้นะคะทุกให้รู้ทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละน ะ, ะมีความทุกข์เกิดมาให้รู้อยากให้พนทุกข์นี่มีสมุดไทยแล้วให้รู้ทันว่าอยาก เราก็รู้ทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วก็จะเห็นเลยขันมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะแล้วตร <นะ S 2> งนี้ที่จะยังจะกราบนัส ก, การรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นวิปัสสนาหรือว่าอย่างยังไม่เป็นนะถ้าสมถานี่เรามุ่งเอาความสุขความสงบความดีของโยมอยากได้ความสุขใช่ไหมอยากจะละทุกข<ม>์เราไม่ได้มุ่งที่จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเราะ งั้นเราค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะฟังค่ะแล้วไปฟังฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไปอีกอันหนึ่งนะคะอันจี้เป็นอยากจะเรียนถามนะคะว่าคําว่ามโนไมยทีเนี่ยนะคะจริงจริงแล้วคืออะไรเป็นริษทางใจนะอันนี้อันนี้เอออันนี้มันเลยเรื่องวิปัสสนาไปนะนะผ่านให้คนเห็นเถอะนะแล้วตรงนี้เห็นไหเนี่ยนะคะว่าถ้า คือวิปัสสนานี้กับมโนโมายตินี้จะคนละเ ร, เรื่องกันนะมโนโมายติเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของอภิญญาส่วนที่เราฝึกมโนโมายติเอาดูเอาไฟส่องแล้วเห็นเป็นดวงสวาง่สวางส่งจิตไปต้นนี้อันนั้นไม่ใช่นมโนโมายตินะไม่ใช่มโนโมยิทธิในพุทธศาสนาหรอกนั่นคื อ, คอการฝึกกระสินแสงสว่าง พ, พอเป็นกระสินแสงสวาง่างตอนนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรมันเป็นส่งจิตออกไปรู้ไปเห็นเห็นไหมไปรู้เทวดาไปรู้ผีไปรู้นรก ไม่รู้อันเดียวไม่รู้ตัวเองมีปรัชนาต้องรู้ตัวเองนะอยากทราบเฉยๆจะเป็นอะไรที่ก็จะไปคนอื่นนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวก็จะปิดห้องประชุมรัศการหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าจิตไหลไปอยู่ที่มันอื่นแล้วอย่าดึงแค่รู้เฉยๆว่าไหลไปอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วแน่นจิตที่แน่นจิตที่หนักจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ชื่อคืออกุศลจิตนะอกุศลชนิดโทสะโมระจิต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 เมื่อไร่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ารู้เมื่อไหรเพ่งกายเพ่งใจเรียกทำสมถะเจ้าค่ะหนะตอนนี้ก็ทิดประคองได้ใช่แต่ตอนแรกไม่ประคองตอนนี้เริ่มประคองแล้วเะเนะีย่ยรู้ทันอย่างนี้นะเจ้าค่ะมันคือการเรียนรู้ตัวเองจิตไปแอบทําอะไรรู้ไปเรื่อยๆในะที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทําของมันได้เองไม่มีตัวเราหรอกเนะจ้าค่ะดีแล้วหล่ ะ, ล ะ, ละ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 ไม่เชื่อในพระพุทธระทรรมระสงฆ์เขาไม่เชื่อเขาคือเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระแล้วลูกควรจะปฏิบัติดูแลเขาอย่ไอาไรก็เราภาวนาของเราให้ดีนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นเรามีความสุขให้เขาเห็นะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคนใกล้ตัวถึงจะยอมเชื่ อ, อถ้าเราเองภาวนาแล้วเราก็เครียดเครียดเขาก็ไม่เชื่อหรอกหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้น้องชายด้วยในต้การหลวงพ่อแผ่ครอบโลกทุกวัน ก, การรัศกาศหลวงพ่อเจ้าคับเอ่ออย่างเวลาที่ฝังหลวงพ่อเมื่อกี้เนี้ยแล้วมันก็จะเห็นเสียงเที่ยงพ่อพูดออกมาแล้วตัวเองก็โผลออ่ล้อแล้วมันก็จะมีตัวที่รู้เข้าไปเห็นตัวเองโผล่ล้แล้วพอหลวงพ่อพูดจบไอ้ไอ้ตัวที่โผล่ล้ อ, อของเราเนี่ยมันดับไอ้ตัวที่รู้ว่าโผล่ อ, อเนี้ย ะะเออถูกแล้วแต่ลักษณะแบบนี้มันจะไม่ต่อนเอนื่องมันเหมือนเป็นจุดไข่ปลาเป็นจุดไข่ปลาถูกต้องแล้วอย่าให้ต่อเนื่องนะเ<ะ>ส้นที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นเส้นตรงนี่เป็นแค่ภาพหลวงตาสิ่งที่เห็นเป็นเส้นนะจริงจริงเป็นแค่จุดต่อๆกันเท่านั้นนั้นรู้ปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเราจะรู้สึกเหมือนกับเรารู้ตัวต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่องจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็มันเหมือนเป็น มันจะซ้อนซ้อนซ้อนไปเรื่อยแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ของคุณจุดที่เริ่มพลาดนะคือไปใส่ใจคอยดูตัวผู้รู้มากไปไม่เอาตัวนี้ไม่เอา พ, พ่อหนูพยายามดูว่าตกลงมันมีผู้รู้หลวงปู่ดูลอบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตใช้ผู้รู้แสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณเป็นอนันต์ไม่สิ้นสุดหรอกมันจะมีตัวรู้ซ้อนซ้อนซไปเรื่อยเขดูไปเฉย ดูเฉยๆอย่าถลับลงไปดูของคุณเวลารู้แล้วถล่มลงไปรู้นะดูห่างๆแงรู้รู้รทัทนใจ <พอ S 1> เรานะ <พอ S 1> รู้รู้ทันใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงๆๆของจิตไปนะไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยปล่อยปล่อยแล้วใจลอยงั้นไม่ได้นะเอาไปให้คนอื่นบ้างขอคาราสองพ่อเจ้าอาวาส่อตอนนี้สภาวะันเป็นยังไงบ้างคะฮึ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 ยมอยากรู้ว่าจิตของยมตื่นขึ้นบ้างหรือยังตื่นขึ้นบ้างนะแต่ขณะนี้ประกองไว้ดูกไหมขณะนี้มีโมหะแทรกมัวนิดนึงดูอกไหมค่ะคยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยความอยากพูดเกิดขึ้นเห็นไหมไมีเห็นหนะนะเนี่ยุดขึ้นมาเ้วก็รู้อย่างนี้แหละค่ะรู้อยากนสมให้ดอดูเอาสินั่งไป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 เห็นร่างกายนี่หายใจายใจเราเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆคือดูให้กลให้กายกระจายมันแยกกันเแต่ <ขอ S 1> ไม่จงใจหรอกขออีกข้อถามหนึ น, นะคะคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราฝึกภาวนามันจะดีขึ้นแต่ทํำไมคนยรอบข้างบอกว่ า, าเรายัางขี้โมโหขี้ง่บอกซิว่าเมื่อก่อนขี้โมโหขี้งุ่หงิดมากกว่านี้ไหมกว่านี้ค่ะเออบอกดีขึ้นแค่นี้ควรจะพอใจ คนเรามันจะดีอะไรวิเศษวิโสในฉับพลั น, นเราต้องมีความสุขให้เขาเห็นนะแล้วเขาตามเราเองคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเป็นครอบครัวนี่เยอะมากเลยที่แรกมาคนเดียวก่อนนะแล้วเสร็จแล้วอย่างผู้หญิงมาเนี่ยเสร็จแล้วก็หัดภาวนาดูของตัวเองไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเคยขี้บ่นหงุดหงิดขี้มโมโหอะไรแนละ้วค่อยๆเปลี่ยนไปสามีสงสัยนะมาเรียนกับหลวงพ่อประมมที่หลวงพ่อสะกดจิตอนะมั้งมาดูสัหน่อยสิ มานั่งฟังไปฟังมาเดี๋ยวามาพากันภาวนาทั้งบ้านเนี่ยเยอะเลยนะแล้วชีวิตในครอบครัวนี่เต็มไปด้วยความสุขในช่วงหลังๆเราไม่รู้จะถมว่าปัญญาบังอย่างที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันนึ่งมีพอะอะไรชมพอะไรมันเกิดขึ้นด้ตัวของมันเองเกิดเด้วยตัวมันเองปัญญ า, ไ ม, ญญาไม่ได้ปัญญาไม่ได้เปัญญาเกิดขึ้นเองขอคุณท่าอ้าวต่อไปนักการคับก็อยากจะขาขับ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 เราแค่คอยหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองที่กําลังเกิดนะฝึกแค่นี้พอแล้วละนะเดี๋ยวตัวอื่นจะเข้าใจขึ้นมาเวลาเราไปเพ่งเนี่ยมันคือการคอนเซนเทรตเช่นเราเห็นลมหายใจนะจิตเราจะจ้องอยู่ที่ลมเลยไม่ให้เคลื่อนไปไหนเลย น, นั่นแหละคือการเพ่งนะลองลเอาหัวแม่มือตัวเองแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือสิให้จิตไปอยู่ที่หัวแม่มือเนี่ยเตรงเนี้ยคือการเพ่งนึ้ออกไหมนะนี่คือการเพ่งไม่เอาเสียเวลา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 ใจลอยแล้วเราก็รู้โกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้โลภขึ้นมาแล้วเราก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์นะเราคยรู้ไปด้วยเราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งวันเลยการภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจให้นิ่งเราอย่างของคุณตอนนี้บังคับแรงไปแล้ไม่ทาบว่าจะเงดีสายดีหรอไ่เราเป็นคนช่างคิดนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเลยไม่ไม่ต้องดูกายมันเห็นเองแหละ ถ้าไม่รู้กายเลยก็เดินตกถนนไปแล้วนะครับคุณกับสมถนามพ่อครับผมปฏิบาาัติตามแนวของหลวงพ่อมาสักประมาณสองปีเศษนะครับก็เร่องกจากการู้สธาึว่าว่าจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเห็นแต่ว่าตัวเองนันมีอะไรที่มันเกิดเกิดตับตับแล้วก็สิ่งที่รับทราบก็คือมันมีแต่ความสุนะฮะในิต ก็เลยรู้แต่ว่ามีความสุขนั่งมันก็เกิดตับๆแล้วก็ความทุกข์องเหมือนมันหายไปก็คือหางๆไปครับทั้งที่บางวันมีความเครียดมากแต่ยิ่งเครียดมันก็ยิ่งจิตมันยิ่งสุขหลาดดีกันนะแต่แลบระลัดยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งเบิกบานครับดูอย่างมีปัญใช่ไหมครับใช่นะแต่ถ้าดูสบายกว่านี้นะอย่ตอนนี้เครียดไปครับใช่ทําตื่นเต้น กับขอบคุครับแลวก็มีคำถามที่เ้าเกี่ยงฝากไปนะครับผมว่าถ้าป่วยอยู่รู้ว่าจะตายจะต้องพุทโธตลอดดีไหมครับหรือว่าให้มีสติต่างรู้รักถ้ามีสติได้ก็มีสติไปนะถ้ามีสติไม่ได้ก็พุโทโธไปถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรได้ถ้ามีสติเรื่อยๆไปอาจจะเกิดมรรคเกิดผลอะไรขึ้นเลยก็ได้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 ร่วมกันกล่าวทําถวายทาที่ผู้มาทำถวายไว้ครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายเรื่อตั้งใจทายธรรมและสิ่งของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นการละนาเธ อ, อยาถาวาริวหะปุราปริปูเรนตีสักรัง เอวเมวาอิโตดิน so นังเปตานัง so อ ok ุปการปติอ an ิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธารมณิโชติราโสยทาสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขาายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังอุทธาปัจจายิโน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 พระโสดา บ, บันเนี่ยในทางศาสนาพุทธเรียกว่าพระเสขบุคคลเสขบุคคลคือได้เป็นนักศึกษาถ้ายังไม่ได้เป็นโสดา บ, บันเนี่ยถือว่ายังเอนทราไม่ได้หรือยังสมัครเข้ามสทไม่ได้นะยังไม่ใช่นักศึกษาอาลักหลวงพ่อไปก่อนนะมีความสุขเข้าภาวนาะ